إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا م ح م د ا أبده ورسوله أرسل الله ب ا ل ه د ى ودين الحق ل ي ز ه ر ه على دين كله ولوكله ا ل ك ا ف ر و ن أما ب َ ل ق د ق ا ل ا ل ل ه ت ع ا ل ى ف ي ك ت ا ب ا ل ك ر ي م ب ع د َ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م و ج ج ن ب ه ا ا ل ع ش ق ى ا ل ذ ي ي س ل ن ا ل ن ا ر ا ل ق ب ر ى ة ث م ل ا ي م و ت ف ي ه ا วะลัยยาครับพี่น้องที่รักยิ่งครับกลับมาพูดคุยกันต่อครับในอัตถาที่บาบอัลกุรอานในส่วนของสุรตุอัลอาลาในส่วนของสุร์อัลอาลานะครับผมหลังจากที่พวกเราได้คุยกันไปแล้วนะครับถึงที่พวกลอสซุบฮานหัวตาดได้กล่าวไว้นะครับว่าแน่นอนในเรื่องของการตักเตือนเะนี่ยผู้ที่จอกห่างจากมันเนะี่ยย่อมเป็นบุคคลที่ชั่วร้ายยิ่งผู้ที่จะได้ไปเจอไฟนรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ ครับซึ่งในไฟนรกเนี่ยเขาจะไม่เป็นแล้วก็เขาจะไม่ตายไฟนรกที่ใหญ่ยิ่งไฟนรกที่ยิ่งใหญ่เนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าไฟมันมีใหญ่มันมีเล็กด้วยเหรอก็แน่นอนครับพี่น้องไฟทั้งหมดที่เรารู้จักในดุนยาเนี่ยไฟทั้งหมดที่เรารู้จักในดุนยาเนี่ยคือไฟเล็กหมดหน่อยเอามารวมกันทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไฟทั้งหมดที่มีเนี่ย คือไฟเล็กครับเพราะเป็นไฟที่ผ่านการล้างมาแล้วอย่างที่พวกเราทราบที่พอลัสซูบาร์ตาเนี่ยเอาไฟเนี่ยมันล้างก่อนล้างล้างล้างล้าง้างล้างล้าง้างจนกระทั่งว่าเอามาให้เราได้ใช้ไฟที่เราใช้ประโยชทั้งหมดอะครับเพราะนั้นนี่คือไฟเล็กเพราะนั้นไฟใหญ่น่ยมีครับรอชาวนรกอยู่ซึ่งผู้อยู่ในไฟนรกเนี่ยที่พวอลัสกล่าวไว้ก็คือลาย่ามูตุฟีฮาเวลายะยาเขาจะไม่มีทางตายแล้วเขาก็จะไม่มีทางเป็นคือเรียกว่า เป็นสถานที่ที่เขาจะไม่เป็นแล้วก็ไม่ตายเพราะเขาจะตายได้อย่างไงถูกไหมครับเพราะความตายคือการพักผ่อนถูกไหมครับผมหรือจ น, นเนอเลย์ ล, ะ ล, ะ ล, ะลารีเบซาที่ว่าเก่าในกุรานยามข้ามคืคนเทมาเพื่อเป็นอาพรที่เราได้นอนหลับพักผ่อนเพราะนั้นความตายเนี่ยถือว่าเป็นการนอนหลับถูกไหมครับที่เราเรียกว่านอนหลับจะเป็นตายเล็ก ตายใหญ่ก็คือหลับยาวไปเลยเพราะฉะนั้นจากความทรมานพี่น้องสังเกตไหมเวลาที่เราทรมานเยอะๆเราปวดเราไข้เราอะไรก็ตามเนี่ยถ้าได้หลับหน่อยเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกมีความสุขเรารสึเราไม่เจ็บป่วยเราไม่อะไรที่แบบมันเป็นความรู้สึกที่ดีนี่คือสิ่งที่ชาวนรลกเซาะแสวงหาครับอย่างน้อยก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายสําหรับเขานะครับเขาก็หวังว่าอือย่างน้อยก็ขอให้ได้ตายก็ยังดีมันเป็นการพักผ่อนสําหรับเราซึ่ง มีประโยชน์ัหมครับไม่มีประโยชน์ครับพี่น้องในทีน่นี้พี่น้องที่รักกิ่งครับและยาโมตุฟีฮะวาลายฮยาที่โพลัสุบะฮ์นูรตะาวดได้ทรงกล่าวในคุรานเนียครับผมในทีน่นี้สิ่งที่อยากจะมาชวนคุยอย่างที่เราพูดกันเป็นประจำนะครับว่าอน i s l a เนี่ยมักจะมีกฎหลักแล้วก็จะมีข้อยกเวน้น อิสลามนั้นมีกฎหลักแล้วก็มีข้อยกเว้นในเรื่องที่บอกว่าจะไม่เป็นแล้วก็ไม่ตายเนี่ยถามว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไหมคําตอบก็คือชาวนารกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มชาวนารกนะครับแบ่งเป็นสกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือคนที่ทําผิดคนที่ทํำบาปผู้ที่ศรัทธานในพระเจ้าผู้ที่มีการิมาไลาแล้วเหรอผู้ที่เชื่อมั่นในพระเจ้าแต่ว่าเขาทําบาป เขาอา จ, จะมีบาปใหญ่เราว่าจะไปทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้แต่เขายังเป็นมุสลิมอยู่คนประเภทนี้เรียกว่าเป็นคนบาปครับถ้าหาว่าคนประเภทนี้ลงนรกไปเขาก็จะรับการตอบแทนในสิ่งที่เหมาะสมกับสิ่งที่เขาควรจะได้รับอันนี้ก็ระหว่างเขากับพระองค์สุบฮะนะฮุาวาตาละในที่นี้ครับผมคนกลุ่มเนี่ยเมื่อเขาถูกลงโทษจนถึงเวลาจุดหนึ่งอย่างที่เราทราบก็คือ ไม่เป็นไม่ตายไม่เป็นไม่ตายไม่เป็นไม่ตายจนกระทั่งเมื่อเมื่อจนถึงจุดสุดท้ายแล้วครับที่แบบว่ามันจบแล้วเนี่ยพวกล้อใช้ไฟนรกมากลืนกินเขาเป็นรอบสุดท้ายแล้วเขาก็จะกลายเป็นตอตะโกคือกลายเป็นเสร็จเท่าเลยเกิดความตายกับเขาขึ้นเป็นความตายชั่วขา่าวแต่ก็คือมันเสมือนความตายไม่เหมือนกับชาวนรกคนอื่นแล้วที่ว่าต้องถูกฟื้นมาแต่คือของเขาจบแค่นั้นแล้วพวกล้อก็จะให้เขานั้น ได้ถูกนําตัวออกมาจากไฟนรกแล้วก็จะมีหยดน้ําหยดมาให้แกเขาเขาก็จะได้ร่างกายใหม่จึงเป็นร่างกายของชาวสวรรค์ซึ่งแน่นอนครับที่ใบหน้าของเขาก็จะมีร่องรอยส่วนไหนก็ไม่รู้แหละว่าร้อยแล้วแต่คือในที่สีบอกก็คือในใบหน้าจะมีร่องรอยให้รู้ว่าผ่านนรกมาแล้วกลุ่มเราเนี่ยครับท่านอบีุลมฮัมหมัดสละลอยสลัมเรียก ว, ว่าพวกจาหันเนมียูนจะฮันเนมียูนคืออะไรครับจาหันเนมิยูนคือคนที่ว่าผ่านนรกมาแล้ว นรกมาแล้วพี่น้องย้านะย้ําด้วยความเป็นห่วงนะครับผมคงจะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวนะครับผมหวังว่านะครับที่จะขออุว่าจากนรกว่าเอออย่างน้อยที่สุดถ้าฉันชัว่วขนาดเนี้ยถ้าฉันจะลงนรกก็ขอให้ฉันเป็นจนนันรนิมยูนยก็ยังดีคือสุดท้ายให้ได้เข้าสวรรค์พี่น้องห้ามขอดอาทบศแบบนี้เด็ดขาดนะครับย้ํานะครับว่ามสุสลิมเราเนี่ยเวลาจะขอดุทิศจากพวกลัทธิสุภานุวัตตาลาเนี้ยเราต้องขอแบบโลกมาก ถ้าถึงเวลาเห็นนรกจะไม่มีขยะเข้าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องไปตัดผอบอกฉันมันไม่ใช่คนดีอะไรฉันมันคนชั่วเยอะคือไอ้ชั่วเน่ยชั่วส่วนชั่วไปนะขอตอบ้ายเอาพยายามทําสิ่งที่ดีแต่ถ้าจะขอดูอาเนี่ยห้ามขอว่าอย่างน้อยที่สุดขอให้ฉันเป็นใจในมยุนถ้าจะขอก็คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยขอให้ฉันได้เข้าสวน ด, ด้ยวยความเมตตาของพระลอสุภาตราตถึงแม้ฉันจะไม่คู่ควรโดยที่ไม่ต้องถูกการลงโทษเลยเวลาขอให้ขออย่างนี้นะพี่น้อง นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุสลัยห์สลามได้สอนในดาซอบาบะไว้เพราะถามว่ามีใครคู่ควรกับสอนของผู้ว่าล้อไหมไม่มีสักคนแต่ท่านนบีบอกว่าไงครับเวลาที่คุณจะขอสวรรค์เนี่ยให้ขอฟิดเดิส์เลยนี่คือคำสั่งจากนบีถ้าจะขอคือขอสวรรค์ชั้นสูงสุดเลยมันไม่เกี่ยวว่าคุณคู่ควรไม่คู่ควรมันอยู่ที่ว่าถ้าผู้ว่าล้อรับก็คือผู้ว่าล้อรับ เพราะนั้นนะครับเราจะเป็นยังไงไม่รู้ถ้าเราศรัทธาต่ออัลลอฮฺศรัทธาต่อวันสิ้นโลกเราพยายามทําตัวให้ดีที่สุดถ้าจะยกมือขอดุอาอย่าขอดุอาแบบว่าขอนน้อยก็พอในโลกหน้าเนี่ยไอ้โลกดุนยาเนี่ยขอน้อยเนี่ยดีโออัลลอฮฺขอให้ฉันมิสกีที่ฮาลันให้ฉันพอเพียงกับมิส ก, กีที่ฮาลันอย่าให้ฉันเนี้ยเอ่อไม่เห็นค่าของริสกีที่ฮาลานของพงษ์แล้วไปหาแต่ของที่ฮารอมไอ้ น, นี่ดุอาเป็นแบบต้องขอเยอะๆในดุนยาเนี่ยขอให้เรา มีความสมถาถะขออย่าให้เราโรคมากกว่าที่เราควรจะได้ส่วนโลกหน้าเนี่ยเราไม่ควรได้สักอย่างอยู่แล้วเพรา ะ, ะนั้นนบีบอกขอเยอะๆไปเลยขอให้ได้เยอะๆไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงชาวนรกคนสุดท้ายที่จะได้เข้าสวรรค์คือเมื่อกี้ผมบอกไปนะครับชาวนรกจะแบ่งเป็นปสองกลุ่มนะกลุ่มแรกคือคนทําผิดที่ว่าเขานั้นเป็นมุสลิมอยู่อันเนี่ยมีโอกาสได้เข้าสวรรค์อยู่เวลาที่บาปของเขาบวชไปแล้ว อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้ที่ต้องอยู่ในนรกตลอดการคอดีเนฟีฮาอาบาดาอยู่ในช่วนั้นชั่วกับช่วกันอันนั้นก็เป็นกลุ่มผู้ที่ฝ่าฝืนพระเจ้าไปเศษพระเจ้าซึ่งกลุ่มเหล่านั้นบางคนอนี่นจะบอกพี่น้องบางคนอนีจะบอกอาจารย์บางคนก็เป็นคนดีนี่บางคนก็ทําสิ่งนั้นบางคนก็ทาสิ่งนี้มีดิสมากมายครับที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลตลานบอกว่าผู้ไปเศษศรัทธาเนี่ยเวลาที่เขาทําความดีเนี่ยเาลาจะให้เขาตั้งแต่ดุลยาเลยเขาได้ตั้งแต่ดุลยา มีความสุขในชีวิตมีครอบครัวที่ดีมีลิสกีที่ ด, ดีได้ท่องเที่ยวได้ทํอยางนนได้ ท, ทําสิ่งนี้ทํานี้แล้วมันประสบความสําเร็จเขาอยากได้ดุนยาอาลัลลอฮ์ก็ให้ดุลย์ยาไงให้ตามที่เขาอยากได้โลกหน้าเขาก็ไม่ได้เลยแล้วแต่สําหรับมุสลิมผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮววะต้าล้เราทําเหล่านน้นโลกหน้าเพราะนั้นโลกเนี่ยอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยไม่ต้องไปเสียเรียดอะไรมากมันอาจจะดีกว่าสําหรับเราก็ได้ที่เราได้สิ่งเหล่านั้น เราไปซีเรียสโลกหน้าดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่มุสลิมควรจะเป็นครับผมทีนี้ครับพี่น้องบาร์เท น, นจะบอกอาจารย์น่าสงสารนะชาวจะหันนามียูนเนี่ยสวรรค์ได้เข้าอันนี้ในเพื่อคยมาบอูดาวุฒนะครับที่ท่านบิว่าเะยครับูจนเนีก้มูลมินอุมมะติมินันนับิชฟาอัตียุสามูนะชาหันน า, นน า, า una, นมียูในเนพื่อคยมาบูดาวุฒท่านอับดุลเบี๊ยงมุสลิมสั่งบอกว่าประชาชาติมีคนส่วนหนึ่งในประชาชาติของฉันเนี่ย ที่เขาจะถูกนําตัวออกมาจากไฟนรกด้วยกับการให้ชฝาของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลตานกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มจะหันในมียูนแปหฮาริชัดเจนครับในรีสเบรเนี่ยเราได้รับสาระมากมายประการแรกก็คือชฝาของท่านนบีเนี่ยไม่ได้จบแค่คนเข้าสวรรค์คนลงนรกไปแล้วแต่ท่านนบีด้วยความเป็นห่วงอุมมะของท่านเนี่ยต่อให้ท่านเข้าสวรรค์ไปแล้วท่านก็ยังเป็นห่วงอุมมะประชาชาิของท่านที่ยังอยู่ในไฟนรกท่านก็พยายาม ามาขอต่อบพวกลอปเป็นประจำบอกว่าลอปเมตตาเถิดลอปเมตตาบ่าของผู้ถือที่เขาได้เข้าสวรรค์เถิดซึ่งความเมตตาของท่านนบีที่มีตอ่อุมมาเนี่ยถ้าจะเล่าเนี่ยยาวมากๆเลยเมตตายิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่สิเพราะว่าโลกหน้านะครับตอนพ่อแม่เข้าสวรรค์แล้วเนี่ยบรรดาลูกในละคุณเนี่ยพ่อแม่คือไม่สนใจแล้วนะพ่อแม่ถือว่าได้รับสิ่งที่มันควรจะได้รับแล้วซึ่งท่านนบีก็ตั้งเทียวไปเทียวมานะครับเพื่อที่จะ ขอให้พ่อเล่ยยกโทษให้ย ก, ใหยกโทษให้พ่อเล้บอกค้าไม่ยกให้จนกว่าพ่อแม่จะยกให้ท่านอบีก็ไปหาพ่อแม่พ่อแม่บอกไม่อ่ะในดุลยาน่ะมันทําสิ่งชั่วร้ายกับฉันมากและเกินฉันไม่ยกให้ผลสุดท้ายท่านอาบีก็ขอดี๋ยวาจากพ่อเล้ยให้พ่อแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยได้เห็นสภาพของลูกในฝันรกคนเป็นพ่อเป็นแม่จริงอยู่ที่คิดว่าจบไปแล้วเพราะมันไม่เห็นเนี่ยแต่พอเห็นปุ๊บก็จะเริ่มรู้สึกความผูกพันที่อยู่ลึกๆเนี่ยมันก็ยังพอจะมีอยู่ผลสุดท้ายก็ โยโครให้กับลูกลูกก็จะได้เข้าสวนเดวยกับชฝะาของท่านนบีมออูฮัมมัดสุลลอมอะไรฮิมัสลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับชฝาของนบีเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เราจะมองแคบนะเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องอยากได้มากๆเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินเสียงอาญาเนี่ยดูอารับอย่าลืมนะดูอาขอ์คอยเราได้ชฝาะจากท่านนบี ม, มูฮัมมัดสุลลอมเพราะชฝาของท่านนบีเนี่ยมีมากมีเยอะมีหลายช่วงมีหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นดีหมดครับขอให้เราได้ชฝาจากท่านนบีแล้วกัน ไฟได้ชฝาจากทา่านลบีแล้วก็อย่างที่บอกก็คืออย่าให้เราต้องผ่านไฟนรกเลยนะครับผมแต่เราพูดถึงตัวบทว่ากลุ่มคนที่อยู่ในไฟนรกเนี่ยที่เป็นอุมมาของท่านลบีมุสลิมฮวนเลสลัมเนี่ยถ้าเขายังเป็นมุสลิมอยู่ยังไงซะเขาจะได้เข้าสวรรค์แต่มันจะนานแค่ไหนก็อันนี้ก็วันรออาลัาารามรัดผมไม่รู้แล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยแล้วก็ไม่อยากเป็นด้วยนะครับพี่น้องพระทพเดจะบอกอาจารย์สงสารเขาน้อยเนี่ยมีร่องรอยมีตาบาปตลอดการเข้าสวรรค์มีร่องรอย อย่างนี้ตลอดการเลยความเมตตาของพระรอดนั้นมากมายครับผมก็คือคนที่ผ่านพ้นมาจากนรกมาได้นะครับพอได้เข้าสวรรค์เนี่ยที่เรียกว่าจะฮันนมียูเนี่ยก็ชาสวรรค์ก็จะเห็นพวกเขาก็จะเห็นล่องรอยว่านี่คือจะหันนมียูคนกลุ่มเหล่านี้นะครับเมื่อถึงเวลาเขาก็จะขอโดย่าวรอดว่าอย่ออารอดพงคือผู้มวอตาเนี่ยพวกร้อยเรารอดมาจากไฟนรกเนี่ย ขอให้เราลอดผลจากทุกๆอะไรที่มันเกี่ยวกับไฟนรกทั้งหมดด้วยเถิดซึ่งพวกลอดสุบาตาด้วยความเมตตาพวกผมก็ใช้ล่องลอยทั้งหมดในเบต้หายไปด้วยหายไปด้วยก็คือเขาก็จะมีสรีละรูปลักของชาวสวรรค์ที่สมบูรณ์งดงามนะครับก็วัลลอหูตาลาอาลัมนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่า ขอร้องจากพวกล้อครับว่าเราไม่อยากเป็นจันนิมยูนะครับผมเราไม่อยากผ่านไฟนรกมาก่อนถึงจะได้เข้าสวนตอนท้ายแต่ไม่เอาอยัางไงก็ไม่เอานะครับผมขอร้างจากพงขอปุ๊บทาตัวให้คู่ควรกับสิ่งที่เราขอด้วยเพราะฉะนั้นครับหมายถึงว่าจันนิมยูเนี่ยถ้าจะว่าไปนะครับก็เป็นกลุ่มชาวนรกที่มีโอกาสได้ตายเพราะมันจบจากการลงโทษแล้วก็จะได้ร่างกายใหม่แล้วก็เข้ามาได้อยู่ใน กลายเป็นกลุ่มของชาวสวรรค์นะครับเรามาดูตัวบทยาวๆนิดหนึ่งนะครับผมเป็นเรื่องราวที่เราจะชวนคุยกันในวันนี้นะครับผมเรื่องราวนี้นะครับมีหลายสายรายงานผมจะขอยกมาที่อยู่ในสายรายงานของอิห ม, ม่ามมุสลิมจากท่านดิมุมัสซุตไ ร, รย์ลออันฮูนะครับท่านในบีโมมัสรออย์ซาบบอยครับอ่าคิรูมายูคุณฉันนะรัจูลุนฟาหวัวยัมชีมาราะตันวายะกบูมาราะตันผมขออนุญาแปลไม่อ่านตัวบทนะครับสายรายงานมีหลายสายอย่างที่บอกครับถ้าจะรวมหลายๆสายนะครับ ท่านอับเบียบุตรศาสดาบอกว่าฉันเนี่ยรู้จักรู้เลยว่าใครเนี่ยเป็นชายคนสุดท้ายที่จะได้ออกมาจากนรกแล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์ซึ่งชายคนเนี่ยครับการที่เขาจะลอดมาจากไฟนรกได้เนี่ยท่านอบเบียอธิบายให้เราเห็นภาพแต่ว่าลอดมาแบบสะบักสะบอมเลยครับแบบว่าเดินเนแบบล้มลุกคุกคานน่ยพี่น้องถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคือล้มลุกคุกคานออกมาจากไฟนรกกันนะครับผมซึ่ง พอเขาผ่านมาได้เนี่ยเขาบอกว่าไงครับขอขอบคุณพวกล้อความเจริญเมแก่ล้อผู้ที่ทําให้ฉันนั้นรอดมาจากเจ้าจนได้คือชายคนนี้พูดตอนที่รอดมาจากไฟนรกได้แล้วนะครับคือหลังจากที่เ อ, อ ส, สบักสะบอมเต็มที่นะครับแล้วก็รอดพ้นมาได้ครับผมพอเขารอดพ้นมาได้นะครับผมเขาบอกว่าไงครับนี่แหละเอาล้อเมตตาฉันเมตตามากกว่าคนทุกคนที่พวกเคยเมตตามาก่อน ซูบฮานอัลลอฮฮะดีษตรงเนี้ยได้ประเด็นอะไรครับความเมตตาที่อัลลอฮฺให้ชายคนสุดท้ายเนี่ยที่เขามีโอกาสได้ออกมาจากไฟนรกเนี่ยแค่การที่แล้วรอดมาจากไฟนรกได้เนี่ยเขามีความรู้สึกเลยว่านี่คือเนื้อมะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยมีใครได้รับเท่าเขามาก่อนนี่คือความสุขที่เขาได้รับถามว่าเนี้อมัดนี้ใหญ่ที่สุดแล้วหรอไม่ครับผู้ที่เข้าสวนชั้นสูงสุดต่างหากที่ได้เนี้ยมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพียงแต่ด้วยความที่เขาทรมานสุดๆในไฟนรกแล้วพอมาเจอความสุขนิดเดียวเนี่ยครับผมเขารู้สึกว่าอันเนี้ยคือความสุขที่สุดของที่สุดของที่สุดแล้วพี่น้องตามทางนีครับอารมณ์ความรู้สึกประมาณพี่น้องทางจิตนาการถึงคนที่อยู่แบบอไฮโซสุดๆประมาณเนี่ยพี่น้องที่ว่าเขามีน้ำมีอะไรที่แบบดื่มสะดวกสบายสุดๆมีเครื่องดื่มราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ย กับคิดถึงใครสักคนที่ว่าเขาอาจจะอดอยากปากแห้งไม่ได้กินข้าวมาเลยเป็นเดือนพอประทังชีวิตให้อยู่รอดมาได้เนี่ยพอเขาได้มากินเศษอาหารของคนรวยสักนิดหนึ่งเนี่ยพี่น้องว่าเขาจะรู้สึกยังไง ร, รู้สึกมีความสุขสุดๆแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขยิ่งกว่าคนรวยถูกไหมครับอารมณ์ประมาณนี้เลยหลังจากที่พ้นจากไฟนรกแปลว่าการลำทุกทรมานสุดๆแล้วพอรอดมาได้นี่คือรู้สึกว่า ม, มันที่สุดของที่สุดแล้วครับผม ในสายรายการครับท่านอับดุลโมมัสรอร์อิสลามครับบอกว่าไงครับพากเราก็จะให้มีต้นไม้แหนงอกขึ้นมาอยู่ใกล้ๆเขามีต้นไม้มีน้ํามีลาําธารมีอะไรอยู่ใกล้ๆใช่คนนั้นเขาก็จะเห็นไงคือตอนแรกรู้สึกว่าตัวเองน่ยมีความสุขที่สุดละรอดมาจากนรกก็พอมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ว่าเมื่อเราพึงพอใจกับอะไรสักอย่างช่วงเวลาหนึ่งเราจะอยากได้ในที่มากกว่านั้นธรรมชาติของมนุษย์ ถูกไหมครับบางคนยังไม่ได้บ้านก็อยากได้บ้านอยากได้บ้านอยากได้บ้านอยากได้บ้านอยากได้บ้านอยากได้ใหญ่ๆพอได้ปุ๊บมีความสุขมากๆแต่พอได้ไปสักพักปุ๊บอยากได้บ้านใหญ่คนนี้อยากได้บ้านใหญ่นี่นี่คือธรรมชาติของมนุษย์เราขับเคลื่อนจากความต้องการนึงไปอีกความต้องการนึงชายคนนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับลอดจากไฟนรกปุ๊บแต่เห็นอยู่ไกลๆแนี่มีต้นไม้มีแหล่งน้ํามีอะไรเขาก็บอกยาวว่าขอให้ฉันไปอยู่ใกล้ๆตรงนั้นได้ไหมเนี่ยแบบ ดูปุ๊บมันน่าจะมีความสุขกว่าที่ที่ชั้นอยู่นะมันมีร่มเงาให้ชั้นไดอ้อไปอิงแอบแนละมันมีน้ําให้ชั้นได้ดื่มนะพอลอสบานในหัวตะลาก็จะพูดกับเขาเลยพูดกับเขาเลยนะพี่น้องพูดเลยนะบอกไงครับลูกหลานของอาดัมเป็นไปได้ไหมถ้าชั้นให้แล้วเนี่ยเจ้าจะขออีกนี่คือความเมตตาของพวล้อพรลอถาม ถ้าฉันให้ตาเดียจะอยากได้ใช่ไหมถ้าฉันให้เนี่ยเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวเจ้าจะลืมมันอีกแล้วเดี๋ยวอยากได้อย่างอื่นอีกเขาบอกว่าไงครับยารับเป็นไปไม่ได้หรอกโอ้โหเนี่ยก็ฉันลออจากไฟในโกมาก็สุดสุดแล้วแล้วเนี่ยความสุขขนาดเนี่ยถ้าฉันได้นี่มันมันสุขที่สุดแล้วในยาล้อเนี่ ย, ยฉันไม่มีทางที่จะขออะไรอีกพอล้อก็ให้เขา ได้เข้าไปอยู่ในนั้นไปอยู่ในล่มเงาของต้นไม้ได้ไปดื่มน้ําได้ไปทําอะไรที่มีความสุขสะดวกสบายพี่น้องพอจะตามอารมณ์เขาออกไหมเขาจะอารมณ์ประมาณไหนคือสบายแล้วแบบอ๋อมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายพอเขาเหนยหน้าขึ้นไปนี่มีที่ที่มันดูมีความสุขกว่าที่ที่เขาอยู่อีกคลิปมีต้นหมากรากไม้ที่มันดูอุดมสมบูรณ์กว่าที่ที่เขาอยู่คือที่ที่เขาอยู่มันมันดูแบบเล็กน้อยไปเลยเนี่ย เขาดูพี่โนว่าเขาจะคิดยังไงเขาเอเออย่างไงดียังไงดียังไงดีผลสุดท้ายทนไม่ไหวครับเขาจะบอกว่าไงครับอืมอยาล้อขอเถอะอืมไม่รู้ว่ามันมีดีขนาดนี้ไม่รู้คือขอผมเถิดผมผมผมขอไปอยู่ตรงนั้นได้ไหมเนี่ยแบบล็อกเงามันน่าจะสะดวกสบายมันดูโอโถงโออามันดูน่าจะมีความสุขมีอะไรพร ะ, ะสุปตสุภาราตราก็จะย้ำครับว่าอ่ะ ไหนล่ะเมื่อกี้บอกว่าไม่ไม่ขออะไรแล้วไม่ใช่เหรอเขาจะบอกว่าไงครับยาวล้อเนี่ยผมผมไม่รู้ผมผมผิดไปแล้วคือถ้าได้อย่างงี้เนี่ยนะผมผมจะไม่ขออะไรอีกเด็ดขาดเลยลยาวล้อคือครั้งสุดท้ายละครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วพี่น้องเกิดอะไรขึ้นครับ <laughs> พอเขาได้ไปอยู่ในตําแหน่งที่ดีขึ้นไปอีกกับพี่น้อง ไปอยู่ปุ๊บโอ้โหมีความสุขตอนแรกว่ามีความสุขเลยนะแต่นี่มีความสุขที่สุดแล้วเงยขึ้นไปดูอ้าวเฮ้ยมันมีเจ๋งกว่านี้อีกคือเมื่อกี้ว่าเจ๋งนะไอตอนเนี่ยคือเจ๋งสุดๆคือคิดว่าชีวิตนี้ไม่อยากได้อะไรแล้วเนะี่ยแต่พอดูปุ๊บมันมีเจ๋งกว่านั้นนะครับผมมันมีเจ๋งกว่านั้นพอเห็นปุ๊บพี่น้องว่าเกิดอะไรขึ้นคิดว่าพี่น้องน่าจะเดาออกครับผม ใช้คนนั้นก็ขออีกบอกว่ายาวล้อเนี่ยขอข อ, ขอโทษทีเดผมไม่รู้จริ ง, รงๆว่ามันมันมันมันมีอะไรที่มันสุดยอดขนาดนี้ผมผมขอไปอยู่ตรงนั้นเถอะพวกเราก็บอกไหนว่าจะไม่ขอแล้วไงไหนว่าจะไม่ขอแล้วไงนี่แสดงถึงความเมตตาของผู้ว่าแล้วก็ความโลภมากของมนุษย์ผลสุดท้ายครับใช้คนนั้นก็บอกว่าจริงๆเนี่ยผมผมผมไม่ไหวจริงๆผมผมผมไม่ไหว ขอผมไปอยู่เถอะพี่น้องรู้ไหมว่าที่ที่สามที่เขาไปอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้กับประตูสวรรค์เลยคือทั้งสามจุดที่เขาผ่านมาไม่ใช่สวรรค์เลยนะคือตอนแรกเขาลอดจากนรกมาได้ใช่ไหมคือลอดมานี่คือสึกมีความสุขที่สุดในโลกแล้วไม่มีใครได้รับความสุขเท่ากับเขาไปละพอผ่านไปช่วงหนึง่งเห็นอีกจุดหนึง่งน่าจะมีความสุขก็ขอก็ได้ไปอยู่จุดที่หนึ่งได้ไปจุดที่สอง ได้ไปจุดที่สามจุดที่สามแดนอยู่หน้าประตูสวรรค์พี่น้องคิดดูครับผมพออยู่หน้าประตูสวรรค์ปุ๊บได้ยินเสียงของชาวสวรรค์สิพอได้ยินเสียงของชาวสวรรค์ปุ๊บเขายังไงต่อครับโอนายของผมครับให้ผมได้เข้าไปเถิดคือมันมันแบบพอฟังเสียงปุ๊บมันมันเป็นอะไรที่มันมันต้องสุดยอดมาก มากขนาดไหนอพี่น้องคืออารมณ์ของผมผมจินตนาการอารมณ์ประมาณว่าถ้าเราคิดถึงเด็กอะ่ะเด็กๆที่แบบว่าอยากเข้าอะไรสักอย่างคือเขารู้ว่ามีแต่ความสุขอยู่ข้างในนั้นน่ะแล้วเขาได้ยินเสียงเล็ดลอดออกมามันคงจะบีบขันอารมณ์มันคงจะแบบว่าอยากไปยังไงก็ได้พ่อจา๋าแม่จา๋าฉันอยากเข้าใจจริงๆสุดๆอะ่ะผมว่าอารมณ์ยิ่งกว่านั้นน่ะพี่น้องคนนี้เขาก็บอกว่ายาอัลลอยเนี่ยขอให้ฉันเข้าไปเถิดคือไม่คิดว่ามันมันมั น, ม, นมันจะอะไรขนาดนี้ให้ฉันเข้าไปเถอด พี่น้องที่รักครับพ่อลอสสุบฮาเนวัตนาผู้ทรงสงูสงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเมตตาเรายิ่งกว่าใครพ่อบอกกับคุณคนนั้นว่าไงครับยับนะอาดัมมาเยสรีนีมิงกะว่ามาโยร์ดีกะอันอูติยะกะอัตุนยาวอมิสลาฮามาในสายรายงานบทนี้ในสายรายงานบทนี้พ่อลอสสุบฮาตา ร, ตราได้บอกกับเขาว่าลูกหลานของอาดัมเอ๋ย เจ้าจะพอใจไหมถ้าข้าให้ทั้งหมดของความผาสุกที่มีในดุนยาคูณสองให้กับเจ้าคือพี่น้องจินตนาการความสุขทั้งหมดที่มีในดุนยาที่คนทั้งโลกได้รับว่าพี่น้องตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายสิ่งมีชีวิตแรกจนถึงสิ่งมีชีวิตสุดท้ายความสุขทั้งหมดนั้นพรเราบอกว่าข้าจะให้เจ้าคูณสองด้วยซ้ําเกินจินตนาการ แค่ความสุขทั้งหมดในดุนยาแล้วก็จินตนการไม่ออกว่ามันมันขนาดไหนแต่นี่พวกเราบอกไงครับคูนสองชายคนนั้นครับด้วยอารามที่แบบว่าเขาเขาเขามีความสุขสุดๆเขาบอกอยาล้อที่พงร้อเล่นกับผมหรือเปล่าล้อเ ล, อ ล, อล่นกับ ฉ, ฉันหรือเปล่ามันเป็นไปได้ไงคนแรงงานทฤษฎีสักครับท่านมูนมาสูดพอถึงเวลาปุ๊บท่านก็หัวเราะแล้วท่านมูมาสูดก็บอกว่าคุณจะไม่ถามหลือ ว, ว่าทําไมเฉถึงหัวเราะ ซาบดาเขาลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนกับนูมาสซุนก็บอกว่าทำไมท่านถึงหัวเราะเหรครับท่ น, นุสบอกว่าไงครับเพราะว่าท่านนาบีมูฮัมมัด ส, สลายลเมื่อเล่ามาถึงตรงเนี่ยท่านก็หัวเราะซึ่งซอบาก็ถามว่ายัมซุลรอทําไมคุณหัวเราะเหรอท่านนาบีมูฮัมมัด ส, สลายสะบูฉันหัวเราะเนี่ยเพราะว่าถึงตรงเนี่ยหัวเราะก็ทรงหัวเราะกับชายคนนั้นด้วยความอินดูคือเราคิดดูชายคนนี้แบบ ขอมาสารพัดนั่งไงคือพวกล้อก็รู้ว่าเขาต้องอยากได้อีกถ้าเขารู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่านี้แล้วเขาก็ขอขอข อ, ขอพอจนถึงประตูสวรรค์นเนี่ยเขาก็ขอแล้วพวกล้อก็บอกว่าจใจความสุขทั้งหมดเบิ้ลสองเข้าไปเนี่ยด้วยความที่เขามีความสุขเขาบอกในร้อเลยแล้วเปล่าเป็นไปได้หรือเปล่าพวกล้อก็หัวเราะครับด้วยกับความเอนดูในที่นี้ครับในเรื่องของการหัวเราะของพวกล้อสุบฮานุวาตาลาเนี่ยมุสลิมเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นว่า พวกอร์บอกยังไงเราซูนบอกยังไงเราเชื่อตามนั้นโดยที่รูปแบบจะเป็นยังไงเราไม่ไปคิดตอบเราจะไม่คิดว่าพวกละร์หัวเราะเหมือนกับที่เราหัวเราะเราจะไม่คิดเด็ดขาดเราจะไม่เอาพวกมาเปรียบเทียบกับมนุษย์เพียงแต่เป็นความหัวเป็นการหัวเราะที่เหมาะสมกับความเป็นพระเจ้าของพวกอสุปปาฮานุวาตาละอาทิตย์ OD นี้ส่อเหี้ยท่านอับดุบีบอกไว้เราเชื่อตามนั้นถ้าเป็นกุรานพวกลอร์บอกเราก็เชื่อตามนั้นเพราะฉะนั้นในอาทิตบบนี้ท่านอับดุลเบีอกพวกลอร์หัวเราะอย่างมีความสุขกับชายคนนี้ เราก็เชื่อมั่นตามนั้นแล้วเราก็รู้ว่านายของเราเนี่ยเมตตาเราขนาดไหนครับพอชายคนนึงเขาบอกว่าในยอล้อเดียบพมร์ลอเล่นกับผมลูกเกา่าพวกล้อก็บอกว่าไงครับข้าไม่ได้ร้อเล่นกับเจ้าแต่ข้าสามารถทําอะไรก็ได้ที่ข้าต้องการให้กับเจ้าถึงตรงนี้ครับผมก่อนที่เขาจะได้เข้าสวรรค์เนี่ย นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพวกเราบอกว่าจะให้สองเท่าของความผาสุกในดุนยาไม่ได้จบแค่นี้นะครับพี่น้องไม่ได้จบแค่นี้เพราอเขาเข้าสวรรค์ไปแล้วเขาจะพบว่ามีคนอยู่ในสวรรค์ก็มีคนอยู่มากมายอยู่ในในสวรรค์ฮะดิษมีหลายบทนะครับผมก็เลยว่าสรุปมาเป็นบทเดียวครับผมพวกเราก็จะถามว่าเจ้าจําได้ไหมถึงชีวิตในดุนยาของเจ้าเนี่ยขเขาก็บอกจําได้ครับจะได้รับความโปรดปรานไหม ผมได้รับเยอะครับอบอกมาอะไรคือสิ่งที่เจ้าปรารถนาบ้างทั้งหมดที่เจ้าเคยปรารถนาในดุนยาข้าจะให้เจ้าเพิ่มปีกสิบเท่าสุบฮาละบอกสุบฮาละบอกอะไรก็ตามที่เราเคยปรารถนาจะได้ดุนยาพี่น้องจินตนาการให้เวอร์ไปเลย เวอร์ของเวอร์ของเวอร์ของเวอร์ที่เราอยากจะได้ในดุนยาถ้าเข้าสวรรค์เราจะอยากได้อย่างนั้นเราอยากได้แบบนี้เราอยากมีอยากแบบนั้นเราอยากมีแบบนี้ขั้นต่ําสุดคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์ได้เข้าสวรรค์ชั้นต่ําที่สุดเขาได้สิบเท่าของความปรารถนาทั้งหมดในดุนยาที่มีนี่คือสวรรค์นี่คือสวรรค์และนี่คือชายคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์ ซึ่งอีกสายแรงงานหนึ่งนะครับท่านอับดุลโมสลสระบ๋องไงครับเขาก็ได้เข้าไปที่บ้านของเขาแล้วในบ้านเนี่ยเขาก็จะเจอผู้หญิงสองคนซึ่งผู้หญิงสองคนเนี่ยครับคือผู้หญิงที่โพล็าตเตียวให้กับเขาที่เรียกว่าฮูลูอินบ้านเราก็จะไปลยังไงว่าเป็นนางฟ้าภรรยาของเขาในสวรรค์นเนี่ยพอเจอเขาเนี่ยภรรยาจะต้องรับว่าอย่งไรครับอัไรทำดูแลเราดีอัพย า, กาแกเละนาว่ออัยานาเลกา ผู้หญิงทั้งสองคนจะบอกว่าขอบคุณพ่อละที่ให้คุณมีชีวิตยอยู่เพื่อเราแล้วเพื่อให้เรามีชีวิตยอยู่เพื่อคุณโระแมนติกไหมพี่น้องได้มาสมหวังได้มาอยู่ด้วยกันคนที่รักกันได้มาสมหวังกันยิ่งกว่านะวันิยายเรื่องใดก็ตามที่พี่ท้องเจอพี่น้องซึ่งเมื่อ น, นั้นเนี่ยครับท่านอับดุลโมติรอสรมบอกว่าไงครับเนี่ยคือคนที่อยู่สวรรค์ขั้นน้อยที่สุดแล้วนะชั้นต่ําที่สุดเลยนะเขาจะบอกว่าไงครับ ไม่มีใครอีกแล้วที่จะมีความสุขยิ่งไปกว่าฉันเขาไม่รู้เลยว่ามีคนที่มีความสุขมากกว่าเขาอีกเป็นล้านๆนะครับแต่นี่คือขนาดคนที่ได้เข้าสวนขั้นต่ำที่สุดคือสิ่งที่ลอตเตียให้กับเขาเป็นเป็นอะไรที่มันใช้คาว่าสุดยอดปาธนาก็ไม่ได้พี่น้องมันมันมันเกินจากคำว่าสุดยอดปาธนา คือพี่น้องปรารถนาได้แค่ไหนผมผมไม่รู้อ่นะความปรารถนาผมก็ระดับหนึ่งะนะเพียงแต่ว่าพอเรามาฟังฮะดีสคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าสุบฮานะลอฮ์อยาอลัลลอฮ์สวรรค์แบบเป็นอะไรที่มันเกินจินตนาการขนาดเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมนะอย่าขอดูอาห้ามเด็ดขาดอะไรพี่น้องห้ามขอเลยว่าอลัลลอฮ์ฉันขออย่างนไรที่สุดให้อยู่สวรรค์ชั้นต่ําสุดพี่น้องไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เราต้องตกลงกันให้ชัดเจน เราต้องลบมากกับพวกเลาะหรเราต้องหวังจากพวลเราเราต้องปรารถนาจากพวกเราสุภานุวาตายแล้พราเราดูขนาดคนคนเนี่ยคนสุดท้ายที่เ้าขอดสวรรค์นเนี่ยเขาผิดคําพูดกี่รอบล่ะพวกเราบอกเลยครับห้ามขออีกนะถ้าให้เราห้ามขอนะให้แล้วห้ามขอนะซึ่งพวกเราก็ให้ตลอดให้ให้ให้ให้เพราะสาหรับพวกเรารายที่พวกเราจะให้หรือไม่ให้มันไม่ต่างกันเลยคือพวกเราจะให้ผมหรือให้พี่น้องอยู่สวรรค์ชั้นต่ําสุด หรือต่อให้พวกเราอยู่ในไฟนรกหรือต่อให้พวกเราอยู่สวรรค์ชั้นสูงที่สุดสําหรับพวกเราไม่แตกต่างกันพวกเราไม่ได้สูญเสียอะไรเลยในเรื่องความสามารถไม่ใช่ว่าพวกเราต้องกักต้อเก็บไว้เพราะว่าความสามารถมีน้อยต้องให้แค่คนน้อยนไม่ใช่ความสามารถของพวกเรานั้นไม่มีที่สิ้นสุดเกินจินตนาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าจะขอขอให้เต็มแม็กซ์ไปเลยพี่น้อง ขอให้เต็มที่ไปเลยยิ่งเราฟังเรื่องสวรรค์ปุ๊บเรารู้สึกดีเราอยากได้ใช่ไหมเราอยากให้พระลอตอบแทนเราเราอยากเข้าสวรรค์คือเราไม่คู่ควรใช่ไหมขอให้เต็มที่ขอให้เต็มแม็กไปเลยยาวลอเรารักพระองค์เราพยายามเป็นบ่าวที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เรามีความผิดพลาดมากมายหลายอย่างเราไม่รู้หลายอย่างเรายังทําผิดอยู่หลายอย่างเรายังตะแบงอยู่ยาวลอโปรดเปิดใจเราโปรดทำทางเราโปรดให้เรานั้นเป็นบ่าวที่ใกล้ชิดกับพระองค์ ขอให้เราเสียชีวิตในสภาพผู้ที่ศรัทธาขอให้เรานั้นไม่ถูกลงโทษในหลุมฝังศพขอให้เราไม่ถูกลงโทษในไฟนรกขอให้เราได้อยู่ในสวรรค์ชั้นสูงที่สุดพี่น้องตกลงกันนะเราขอ dua กันแบบนี้นี่คือสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตาร์ทุกวัยอะลัซัลลัมสอนพวกเราเอาไว้แปลว่าท่านนาบีเนี่ยบอกมาแล้วจะขอให้ขอแบบนี้ไม่ต้องไปขอโลภมากไม่ต้องไปขอแบบตระนีบอกยาละอย่างน้อยเนี่ยฉันฟังเรื่องเนี่ฉันโอเคแล้ะฉันเป็น คนสุดท้ายที่ได้ข้อสวรก็ยังดีไม่ไม่ไ ม, ม่ยับนะอย่าขอแบบนี้เดือดขาดครับขอให้เต็มที่กับพ่อแล้วห้ามมักน้อยในอาคราิร็อคอาคิร็อคขอให้เต็มที่เพราะอาคิระอคคือเรื่องการตอบแทนไงไอ้ดุนยาเนี่ยเราอยู่ในเนี่ยมันเป็นเรื่องการทดสอบตรงเนี่ยมักน้อยไปเถอะทดสอบบททดสอบเราอยู่ห้องสอบเดี๋ยวเราจะออกไปแล้วเราไม่ได้อยากจะอยู่นานขนาดนั้นเราอยู่เท่าที่พ่อแล้วเมตตาให้เราอยู่เราเตรียมสเปรยงเท่าที่เราจะได้เราขอริสกีเท่าที่เราควรจะมี แต่ไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเราได้มาขออย่าให้เราต้องเสียโลกแนาอย่าให้เราเสียเป้าหมายอย่าให้เราเสียจุดยืนพี่น้องจําได้ใช่ไหมเราย้ําแล้วนะว่าหนึ่งในอันตรายสําหรับคนดีๆที่รับฟังการตักเตือนก็คือการหลงลืมสิ่งที่ทําให้เราลืมง่ายที่สุดก็คือดุนยาเพราะนั้นดูอาเยอะๆ อ, อย่าให้ดุนยาเนี่ยมันมันทำให้เรานั้นหลงลืมอย่าให้หัวใจของเราเดี๋ยมีแต่ดุนยาอยากได้แต่ดุนยาบอดูอาเยอะๆพี่น้อง ขอรวยเยอะแล้วเราจะไม่มีทางผิดหวังแน่นอนครับผมสําหรับพี่น้องที่ทักทายเข้ามานะครับก็ขอตอบสลามพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับคุณฮัซันฮสซันสลามมาก็วายคุณสลามอัปลอคบัวบ่าวกาตุนนะครับคุณเกดเกดทายเชจนบราร์ปลอฟีคุณสระคุณน้นะครับผมอัลฮามดีแล้วแล้วก็คุณเซ ก, กี้อัลฮามดีเช่นเดียวกันนะครับกับคุณบางอัปดุนนะครับผมอยากเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นต้องมีรบภุมิเท่าไหร่นะครับให้กําลังใจมาเอ่อจะจะอุ่นแค่ไหนนะครับผมก็ถ้ามันมาจากใจนะครับผม ตัวเลขก็ไร้ค่านะครับผมบารัคอลล์ฟีกลุ่มนะครับก็สำรับพี่น้องทุกท่านที่ทักทายเข้ามานะครับพี่น้องสวรรค์นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกินจินตนาการที่บุรุเตรียมมาให้กับบ่าวทุกคนที่อยากจะเข้ามันอย่างแท้จริงเราก็พยายามทําตัวให้เป็นผู้ที่อยากจะเข้าสวรรค์อย่างแท้จริงขออย่าให้เราเป็นบุคคลที่พูดเรื่องนรกแล้วไม่ลกลัวนรก ขออย่าให้เราเป็นบุคคลที่พูดเรื่องสวรรค์แต่ไม่พยายามทำตัวให้ได้เข้าสวรรค์พ Allah, ราะด้วยจากผู้ลอสุาณุัตาลาให้เรานั้นเกรงกลัวต่อการลงโทษของผลอสุภาณุวตาลาแลวก็ให้เรามีความหวังต่อความเมตตาของผลอสุภาณุัตตาลาครับอกลลีฮะบัสกูลลอฮ์ลิลวลิซาอิลิมุสลิมีนามินุลิัสกรูอินหูวกฟอัรอฮมซุบฮันะลัลลอฮ์มะฮ์มดิกะอัชฮัดอัลลาอิลลาลันตะสักบรูทูละอิมะอ ว่าบาร์เกตุครับ